พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าบังคับนอกสังเกตในวันนี้ตอนบ่าย หลวงพ่อคิดว่ามันจะว่างจะไม่มีใครมาที่ไหนรถบัสมาตอนเย็นอีกรถบัสคันหนึ่งเป็นพวกทีกเกษียณอายุราชการมาจากทุกสารทิศ ท, ที่เป็นเพื่อนกันจากเหนือจดใต้มารวมกันไปไหว้พระตั้งแต่พนะุจังแต่พระธาตุพนมมาจากนคร อุดรจนถึงภูกรอนแล้วก็แวะลงมาหลวงพ่อก็ได้พูดว่าจะไม่มีประชุม ว, ว่าจะไม่มีคนมาพอนัดประชุมแล้วอูด้พูดกับคนจะยาวเหมือนกันวันนี้ช่วงค่ำนะวันนี้เป็นวันที่ห้ากันยายนพุทธศักราช2 5 5พันห้าร้อยห้าสิบเก้า การเข้าพรรษาของพวกเราเข้ามาก็เดือนครึ่งกว่าๆเข้ามาแล้ ว, ลวก็ขอให้พวกเราอยู่ในความสงบบำเพ็ญคุณงามความดีนะพ่อลูกหลานถ้าโอกาสจะได้หาได้ยากไม่ใช่เรามาเที่ยวมาเตะเรามาภาวนาหาทางบำเพ็ญกุศลบุญผลบุญเข้าสู่จิตใจไม่ใช่เราจะมา หาสนุกสนานมาพูดมาคุยโอกาสอย่างนั้นหาได้ยากหาได้ง่ายแต่โอกาสอย่างนี้หาได้ยากเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสอย่างนี้เราก็ควรจับคำมักคำแม่นตัก ต, กตวงเรีอกว่าประกอบคุณงามความดีพิสูจน์ตั้งอกตั้งใจพิสูจน์หาหลักเหตุผลพิสูจน์บุญกุศลเข้าสู่จิตใจ มันจึงจะถูกนะถ้าว่าเราไม่ได้คิดในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้วางไม่ได้คิดเรื่องอนาคตไม่ได้วางแผนอะไรเลยมันไม่น่าจะถูกนะบรมมักครูของพวกเราที่พระพุทธองค์เสด็จออกไปอยู่ในป่าถึงหกปีหลวงพ่อก็ยังมาคิดอีกเหมือนกันว่าเอ้ยพระองค์ อยู่ในหปีนั่นนะ่ะมมีใครใครก็ไม่รู้จักนะพระ อ, องค์จะได้รับความสะดวกสบายอย่างไรอันนี้ในตําราท่านก็ไม่ได้เขียนเอาไว้นะพระ อ, องค์อยู่ในสภาพเช่นไรที่พักพาอาศัยของพระ อ, องค์เป็นอย่างไรและใครเป็นผู้ดูแลปณิบัติกาต่อมากับปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั่นนะมาดูแลปณิบัติพุทธะ แต่ท่านเหล่านั้นก็อยู่อย่างไรอีกแต่เขายังเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกได้กล่าวเอาไว้เหมือนกันแต่พอต่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าตีจากออกไปพระองค์ก็อยู่ตามลําพังอีกบําเพ็ญทางด้านจิตใจอย่างขนานหนักกีกเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าออกไปแล้ว ตะกรอนกันกลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกจนอดปักยาหารถึงสี่สิบเก้าวันขณะที่ปัญจวคีทั้งห้าปนนิบัติอยู่พอพระองค์กลับมาสวยปักยาหารปัญจวคีทั้งห้า ก, ก็ถอนใจว่าสิทถั่บคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสร็แล้ว จากนั้นก็ถอนถอนถอนตัวออกไปไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะศรัทธาคำนี้นะศรัทธาคือความเชื่อนะผู้นำขนาที่เกิดศรัทธาคอยฟังคอยดูตามไม่จริงน่าจะสิทธศรัทธาอยู่เท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็เท่ากันไม่ใช่พอถึงข่าวจุดหนึ่งก็หมดศรัทธาอีกเหมือนกัน เพ่นแแบบหนีปล่อยให้พระ อ, องค์อยู่ตามลาพังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้บาเพ็ญไม่ลดละเพราะความมุ่งมั่นความตั้งใจของพระ อ, องค์ของศิทิถ่ายไม่มีการแปรผันไปอย่างอื่นจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์จึงจะถึงจุดความมุ่งมุ่งหมายคือความตั้งใจของพระ อ, องค์ แต่ตามไม่จริงถ้าคิดอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกับตั้งใจหลมหลมแรงแรงนะแต่ถ้าว่าเราคิดอย่างนี้นะเหมือนกับตามความตั้งใจลมหลมแรงแรงแต่ว่าในพระไทยใจของพระองค์นั้นไม่หลมหลมแรงแรงมีความมุ่ง ม, มั่นมีความตั้งใจจนถึงพระองค์ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้ตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าเรามองดูแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้คือโบลมครูของพวกเราแต่พอมาเปรียบเทียบกับพวกเราเรามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นวัดวาศาสนาศรัท ธ, ธาญาติโยมก็มีที่พักพ่าอาศัยพวกน้ําอาหารการบริโภคก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถ้าจะว่าสมบูรณ์ไหมก็สมบูรณ์ เพราะว่าอาหารของเราไม่ขาดตกบกพร่องแต่เราจะอดหรือปะกยะอดอาหารหรือไมจ่จะทานอาหารประเภทยังไงจะกำหนดกฎเกณฑ์ให้กับตนเองอย่างไรอาจันเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องตรวจตาาและกําหนดกฎเกณฑ์ให้กับตนเองแต่ว่าทึงยังไงก็ตามนะการที่มาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ของพวกเรา ก็ควรจะทดสอบทดลองดูเหมือนกันนะตรงพ่อเองขอแนะนำํำแต่ว่าไม่ได้บอกให้ทำแล้วไม่ได้บังคับให้ทําแต่แนะนําเราควรจะอดอาหารบ้างเพราะว่าการอดอาหารมันจะมีประโยชน์ในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องจิตภาวนาทําให้จิตใจของเรา ทำให้ร่างกายของเราไม่งกง่วงกระปีกระเป๋าแล้วก็ความหิวก็จริงอยู่แต่เราก็จะได้รู้ว่าความหิวเป็นยังไงเเราก็จะได้ดูอเราไม่ต้องส่งจิตส่งใจเราเราทานอาหารอยู่แล้วแต่ละวันทานอาหารมานมนานอ ล, ลองอดอดดูสิ ที่พระพุทธเจ้าอดพกะกายหารทั้งสี่สิบเ้าวันเราอดขนาดนี้มันจะเป็นอะไรไหมเราก็ตรวจตาดูตนเองทํามันหิวมันเหนื่อยเราก็มาฉันซะทามันไม่หิวไม่เหนื่อยลกอดทดลองดูต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราถึงได้อยู่ในเป็นพระไม่ได้อยู่ในาศาสนาไม่ได้เราไปเป็นฆราวาสญาติโยมเราก็ยังมีความอดทนว่าสมัยก่อน เมื่อเราเป็นนักพศนักปวดที่บวดมาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยเราอดอาหารทั้งห้าวันเจ็ดวันทีนี้เราไมา่ได้ทานอาหารเพียงมื้อเดียวออตอนเช้าตัวตอนเที่ยงและตอนเย็นมื้อเดียวเราปีทกมีมีทุระที่จะต้องจัดต้องทำไม่เป็นไรพอเราเคยอดอาหารมาแล้วสิ่งเหล่านี้ความอดทนเราจะใช้ได้ ในที่ทุกสถานพอ่อยไรพอเราเคยใช้ความเคยใช้คันติคือใช้ความอดท น, นเคยอดอาหารมาแล้วนี่แหละถ้าเราทำหรือเราคิดไปในการอดอาหารของเราก็จะมีประโยชน์นะลูกหลานน ะ, ะไม่ใช่ว่าทุกวันเราจะทานอาหารถึงจะเลี้ยงอิ่มมีพีมันขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนะี่ย อีกสักวันนึงมันก็จะต้องถึงจุดจบของมันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉนั้นเราต้องดูแลพอประมาณเพลิดเพลินยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกต่างหากถ้าเราอดอาหารทําให้กระปี้กระเป๋าคล่องแคล่วในการเป็นอยู่ของพวกเราอันนี้ก็คือการดํารงชีพก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะเป็นผู้สังเกต ไม่ใช่ว่าจะให้ครูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวให้จับไม้จับมือให้ทำทุกอย่างไม่ใช่เราเราให้สังเกตตนเองเราชันขนาดนี้เป็นยังไงชันมากเป็นยังไงลดอดงดอาหารผ่อนอาหารลงมาเป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงอดสองวันสามวันเป็นยังไงอกเจ็ดวันแปดวันเป็นยังไงสิ่งเห่านี้ก็ให้พวกเราทดสอบทดลองพอเรามาทดลองนะ แล้วพอเขามาบวชในพุทธศาสนาในคราวนี้ครั้งนี้เรามาเพื่ อ, อทดลองในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสงบไหมในเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องสังเกตตนเองนะไม่ใช่ว่าครูบาอ า, อาจารย์อย่างสายหลวงปู่มั่นตระกูลของเราเนี่ยท่านไม่ให้มีการสอบอารมณ์หรอก ให้เป็นหน้าที่ของพวกเราสอบตนเองให้สังเกตตนเองแล้วก็เล่งภาวนาอย่าให้มีครูบาอาจารย์บังคับถ้าครูบาอาจารย์บังคับเนี่ยมันมันไม่เหมือนตัวเองปฏิบัติตนเองถ้าปฏิบัติตนเองนะั่นล่ะบังคับตนเองนั่นละ่นเนนละเลิศปรเสิร์ดพระพุทธเจ้าถทายใครไปบังคับท่านละ่ะนี่บรลงมกครูเราต้องดู แล้วก็ครูบาอาจารย์ภาษาวกในครั้งพุทธกาลมีแต่ท่านแสดงทําให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้บําเพ็ญอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นแหละท่านก็นําไปประพฤติปฏิบัติจากนั้นก็ใดสําเร็จมรรคปรมรรคผลในเมื่อไม่ได้สําเร็จท่านก็กลับมาทูลถามอีกข้าพุทธองค์ปฏิบัติอย่างนี้แล้วทําไมมันเป็นอย่างนั้นพระองค์ให้กรรมาฐานเข้าไปอีก เออให้ละเอียดเข้าไปอีกอนั่นแหละอันนั้นก็คือในครั้งพุทธกาลแต่มาถึงครั้งพวกมาถึงพวกเราอมาถึงพวกเราครูบาอาจารย์ไม่แต่แนะนำบอกกล่าวให้พวกเราปฏิบัติตนอย่างนี้นะอย่างที่หลวงพ่อเดี่ยพูดได้กล่าวทดลองอดอดนอนอยู่นะอดอาหารดูนะนั่งภาว น, นานานๆดูนะเดินจงกรมนานๆ น, นะ เป็นยังไงเปลี่ยนอ ร, ยอริยบทให้เสมอกันน ะ, ะการนั่งกับการเดินอันไหนดีสะดวกกว่ากันบางคนก็กการเดินจิตใจเขาสู่ความสงบได้ง่ายกว่าหรือว่าได้ทนกว่าแล้วจิตใจอยู่กับนึออยู่กับสติของเราดีกว่าในการเดินอย่างนั้นก็มีแต่บางคนก็บอกว่าการนั่งดีกว่าการเดินแต่ตามไม่จริงถึงจะดีกว่า ทั้งยืนทั้งเดินข้างใดข้างหนึ่งเราก็ควรจะมีการถึงจะดีในการนั่งก็เถอะเราก็ควรจะมีการเดินเพราะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนอริยาบทถ้าหากว่าเราจะเดินดีก็จริงอยู่แต่เราก็ต้องกลับมานั่งเพื่อเปลี่ยนอริยบทให้มันได้พักผ่อนบ้างสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูดูการเปลี่ยนอริยบทของเราแต่ การสังเกตทางด้านจิตใจตัวนั้น่สําคัญกว่าเถึงจะเดินถึงจะนั่งถึงจะทำอริอรยบทไหนก็ตามสติของเราดีไหมในการภาวนาสังเกตดูใจของตัวเองนี่แหละคือมาเขาพวกเรามาบวชคราวนี้ครั้งนี้นะเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นเรามาเพื่อภาวนาดูจิตใจของพวกเรามาภาวนาไม่ใช่เรามาเรียนหนังสือ ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำอย่างอื่นมาดูจิตใจของตนเองที่พระพุทธเจ้าพระหันถศ า, าวกทั้งหลายท่านบอกว่ามนโนผุพัง เ, เรื่องก เ, อเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละเราก็มาดูใจมาดูตัวรู้สึกนึกคิดตัวนี้นะมันจะพาไปทางไหนบ้างเราก็เอาสติเขาไปจับ ในเมื่อเอาสติเข้าไปจับให้มันอยู่กับพุทโทากาหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโรเวลาก้าวเดินก็ขาขวาพุทขาซ้ายโทเวลานอนกนะอ็หายใจเข้าพุทหายใจออกโรเวลานั่งก็เหมือนกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโรให้บริกรรมกรร ม, มาฐานนี่แหละอันนี้คื อ, อให้พวกเรา สังเกตให้พวกเราบริกรรมใช้ความบริกรรมนั่นแหะเป็นหลักในการภาวนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นสายหลวงตาของพวกเราพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานทุกองนะให้ขมักขม่นให้ตั้อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราหาโอกาสจะนิหาทไ ย, ยากนะไม่ใช่หาโอกาสได้ง่ายๆ่ายเพราะว่า เราเข้ามาบวชทั้งทีเอ่เห็นแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านาได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลพวกเรากนนั้นะท่านทำยังไงเดินยังไงในเรื่องสมาธิสมถะนะแต่หลวงพ่อก็เคยได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงของพวกเราให้มีสัจจ่กให้มีความจริงจังและจริงใจตัวนี้สาคัญนะลูกหลานนะเป็นเบื้องต้นนะถ้าหลวพวกเราทาอะไรลเลาะอะไรเล โดยมากมันจะล้มเหลวโลกเลกล้มเหลวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในจิตใจของเราเอาเถอะใครจะเป็นยังไงก็ไม่ว่ากัน เ, เกิดมาในโลกนี้มันเราก็ผ่านมาจนพอแรงถึงขนาดนี้แล้วเราก็พอจะมองเห็นได้ว่าเป็นคาร์ชีวิตคารวาสเป็นยังไงชีวิตที่ผ่านๆมาของเราเป็นยังไง มันเป็นยังไงเราก็พอจะสังเกตถ้าเราไม่ลุ่มหลงมัวเมากับกิเลสราคะโทสะโมหะจนเกินไปแต่เมื่อเป็นฆราวาสเราก็มองอีกอย่างหนึง่งแต่พอเขามานักเป็นนักบวชนักพจนักบวชล่ะกิเลสมันมาลงมาตุ้มมันมาเล่นงานขณะที่เป็นนักพจนักบวชก็ ม, มีอีกเหมือนกันนะอันนี้เราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันแต่ทําไมสมัยเมื่อเป็นฆราวาสใจของเราทําไมไม่เป็นอย่างนี้ แต่ท้ามามาเป็นนักพจนบวชอยู่ในป่าปโปรงพงไพมาอยู่ใ น, นทําไมอันนี้หลวงตามหาปัวท่านก็สังเกตเีงเหมือนกันนะลูกหลานนะท่าทนก็ว่าอีกเหมือนกันท่านก็ว่าว่าจำไม่ก่อนท่านเป็นคารวาสหรือว่าเป็นไปเรียนนักสือใจของเราคนอยังเรื่องการ ม, มากิเลสตัวนี้นะมันก็ไม่เท่าไหร่พอมาเป็นกรรมฐานมาภาวนานพอมาต่อสู้อย่างนี้ขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันจึง เพลกผันไปมาอย่างนี้วะอทั้งที่เราจะต่อเราจะต่อสู้กับมันเพื่อจะหักล้างมันเพื่อจะฆ่ากิเลสภายใน จ, ใจิตใจทําไมมันจึงตั้งกองพลกองพันขึ้นมาสู้กับเราอย่างนี้วะเนี่ยอันนี้หลวงตาก็เคยพูดเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะพระลูกพระหลานนะมันก็แปลกเหมือนกันเพราะฉนั้นถึงยังไงก็เถอะให้พวกเราสังเกตตนเองอย่างที่ผมหรือหลวงพ่อได้พูดให้ฟังการพูดทางนี้ทางนั้น ให้พวกเราสังเกตตัวเองมันใช่ไหมยออสมัยเมื่อเป็นครวา่าต์เราเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่พอเรามาเป็นนักพจน์นักบวชมันทําไมเป็นอย่างนี้ขึ้นมาวะนะ เ, เราจะเอาชนะมันยังไงใจตรงนี้นะนี่แหละอันนี้แหละให้พวกเราเอใชอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ฟังได้ศึกษามาแล้วจากนั้นเอาอลไรสู้เลยทเถอะเอาเถอะ ข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานเป็นอย่างเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าจะทําให้จิตใจสงบไม่ปรุงไม่ฟุง้งข้าพเจ้าจะอดอาหารดูสิให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันไม่เสียหายนะลูกหลานนะถ้าภาวนาะบังคับมาอยู่กับพุทโธไม่เสียหายรับรองรับประกันได้เลยทําบวชเข้ามาแล้วปรุงฟุ้งส่านเอามือกายนะผ่าเค็ดรอบโลกจกักรวาลปรุงฟุ้งส่าน ผลที่สุดคิดมากๆเข้าไปนตาแข็งพอตาแข็งเผลอๆจะเป็นบ้าเป็นบอได้ไง่ายๆนี่แหละอันนี้คือคนปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกส่งจิตออกไปข้างนอกเสียหายอย่างมากๆเลยไม่มีอะไรที่จะเสียหายยิ่งกว่าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกที่เราเป็นพระกรรมาฐานอย่างเนี้ยถ้าว่าส่งใจออกไปข้างนอกแปลว่าเสียหายฟังหลวงพ่อไว้เกลิกกแล้วกันนะพระลูกพระหลานนะถ้าบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองนะั่นน่ะ เลิศประเสริฐที่สุดเราจะเห็นผลเราจะเห็นคุณค่าในตัวของเราเห็นคุณค่าของวัดวาศาสนาเห็นคุณค่าครูบาอาจารย์เห็นคุณค่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณค่ า, ท า, ท, า, คคาทางศาสนาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว เ, เมื่อเราสติอยู่กับตนเองแต่ถ้าว่าพวกเราปล่อยจิตปล่อยใจนะั้นมิจะเสียหาย เพอเผยเสียพระไปอีกต่างหากเสียคู่เสียคนทะเลาะพิวาทอีกต่างหากสิ่งที่ตามมามีแต่เรื่องเลวๆทั้งนั้น่ถ้าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกนะถ้าบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองนะั่นนะมีแต่พระคุณนะให้ฟังเอาไว้นะคือพระคุณเท่านั้นถ้าจิตใจอยู่กับตนเองเลยถ้าส่งใจออกไปข้างนอกยนะมีแต่โทษเนะนะพราะนั้นให้พวกเรา พยายามบังคับหายใจอยู่กับตนเองแต่ละวีแต่ละวันตั้งแต่เดินจัดยังหันละกลับขึ้นมาเดินไปกุฏิกับอยากไปคุยกันต่างคนต่างเดินพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถึงกุฏิจากนั้นก็ทําความสะอาดกุฏิเรียบร้อยจบแล้วก็ดองโดยยังกลมโดยยังกลมก่อนั่งภาวนานั่งอยู่ในความสงบจากนั้นก็ยังค่อยพักผ่อนทำให้พักผ่อนกับ ได้เวลาคนานั้นนะออย่าไปทําให้ไม่มีความจําเป็นอยา่าไม่ต้องพักกลางวันมีแต่อ่านหนังสือเอพอเราเป็นฆราวาสเราไม่เห็นพักผ่อนยังไม่เห็นนอนเลยเอทําไมมาเป็นพระ ก, กรรมฐานอย่างนี้ทําไมาทําไมจึงเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พระน้อยพระหนุ่นมทั้งหลายถ้าเป็นพระผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่ว่ากันเพราะต้องพักผ่อน เพราะมันสุขภาพไม่ไหวจริงๆบางครั้งอย่างหลวงพอ่อเห็นได้ชัดนะลูกหลานนะเอไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยบังคับยังไงทํายังไงก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนอย่างนั้นเลยแล้วพออาหารตกท้องออกไปหน่อยเดียวเท่านั้นนะถึงจะฉันไม่มากกว่าเถอะเอมันง่วงเขาทันทีเลยเถ้าเอาพวกลูกหลานทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าจะเห็นคนแก่อย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็เติบพอฉันยังหัน ข้าต้มเข้าไปสองสามสี่ห้าช้อนนะตาปื้อเขาเลยชอนที่หกที่เจ็ดมันจะไม่กลืนเข้าไปลกะก็ต้องได้ปุกเขาก่อนบางครั้งทำไมอันมันเป็นเพราะธาตุขันหลวงพ่อก็สงสัยเหมือนกันนะไปเห็นคุณแม่ชีแก้วเนะพราะฉันไปหน่อยหนึ่งท่านหลับหลับคาคำข้าว เราก็ถามคุณหมอที่ดูผลนนบัตรเอาทำไมเป็นอย่างนี้คุณหมอท่านบอกว่าคนแก่เป็นอย่างนี้แหละมันเลือดน้อยเพอทานอาหารเข้าไปตกกระเพาะเท่านนะั้นพอตกกระเพาะเลือดที่มาเลี้ยงสมองที่มาเลี้ยงสมองข้างบนมันเป็นหลุมลงไ ป, ไปไปช่วยกันช่วยกันช่วยย่อยอาหารในกระเพาะเพราะนั้นเลือดมันน้อยอยู่แล้วก็ทาให้ง่วงเลย เพราะเลือดเลือดลงไปลงไปช่วยช่วยกระเพาะอาหารเนี่ยแหะที่คุณแก่หลับคาค้าข้าวนะอย่าไปตำหนิเขานะมันเป็นธรรมชาติมันเป็น อ, อร่างกายสังขารมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นพระน้อยพระหนุ่มนะเนี่ยเอยังกําลังเข้มแข็งขนาดนี้นะ เ, เราจะทํำยังไงเราจะปฏิบัติยังไง เราจะเดินยังกรมนั่งภาวนาอย่างไรรีบทำในเมื่อแก่ขึ้นมากับเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นสภาพของคนแก่นี่เราหลวงพ่อเห็นกับหลวงพ่อเองนะลูกหลานนะหลวงพ่อจึงม า, เ ล, าเล่าให้พวกเราฟังแต่สมัยก่อนมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้รู้สิควา่ารู้แล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนเพราะร่างกายธาตุขันร่างกายของเราเนี่มันเหมือนกับโดแก่เนี่ยเราจะวิ่ง เหมือนสมัยเป็นแต่ก่อนมันวิ่งไม่ได้ไม่เหมือนรถออกมาใหม่รถหนุ่มรถกําลังใช้งานอันนี้มันรถแก่แล้วอ อ, อล้อก็ล้วมน็อตก็ล้วมเครื่องมันก็ล้วมขลุโขลักขากไปเรื่อยเลยไงไปถึงที่ไหนกับไปถึงแหลไม่ถึงแหลถึงแหลไม่ถึงแห ล, แ ล, แลไปเรื่อยล่ะแต่ถึงยังไงก็ตามก็ประคับประคับประหงไปดูแลไป จนถึงตนกว่ามันจะถึงจุดจบของมันเราก็ต้องรู้อีกเหมือนกันสังขารมันต้องมีจุดจบมันจะเป็นน้อยเป็นหนุ่มต่อไปภายภาคหนาไม่มีทางให้คิดเอาไว้ไม่ต้องคิดรู้แล้วถ้าผู้ปฏิบัตินะจะไม่หลงในร่างกายของตนเองแก่แล้วจะทำยังไง อ, อีกสักวันหนึ่งอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วย โรคภัยไข้เจ็บปรุ่มเร้าเข้ามาผลที่สุดก็ใจขาดนั่นแหละชีวิตของเราก็มีเพียงแค่นั้นแหละจากนั้นกับเผาฝอยทิ้งมีต ะ, กะูกดูใครจะเด่นจะดังจะดีขนาดไหนก็เถอะบางมีสีสุกสมัยก่อนจะไปอวดไปอ้างเขาอีกสักวันหนึ่งม ร, รณะภัยคอยดักหน้าอยู่แล้ว อ, อย่าไปอวดไปอ้าง อีกสักวันนะตะลีตะเหลือ ก, กระเสือกระสนเหมือนกันทุกคนใจจะขาดเพราะนั้นมีแต่ธรรมจิตใจเท่านั้นอใจของเราเท่านั้นเองนะรู้แจ้งเห็นจริงไหมถ้ารู้แจ้งเห็นจริงล้วจะตายยังไงก็ตายเด้อทีนนีะ่เพราะใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วจุดนั่นแหละเป็นจุดที่สำคัญที่หลวงพ่อพูดกล่าวมาทั้งหมดนี่แนหะอยากจะให้พวกพาลูกพาหลานน้องหนุ่งทั้งหลาย ให้เป็นผู้ไฝ่ใจในการศึกษาภาวนาถ้าจิตใจภาวนาถึงกฎเกณฑ์เป็นอริยะบุคคลแล้วเราสบายใจได้คือไม่จิตใจไม่ตกต่ำถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าต่ำกว่านั้นลงมาเนี่ยเราอย่าไปชลาใจอย่าไป น, นอนใจถ้าออกจากภพนี้ชาตินี้อาจจะตกต่ำไปที่ไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเสียทีที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบหมู่พกเพื่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่พบหลักพระธรรมคําสอนท่านสอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่และพวกเราชะล่าใจไปไม่ได้ใส่ใจไปจุดนั้นแหะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการภาวนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวยึดกรรมฐานตามแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยแะ แล้วท่านในภาวนาพุโทโธนะ่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือสมถกรรมฐานนะ่ยในเมื่อภาวนาเป็นสมถกรรมฐานพอสมควรจิตใจของเราได้รับความสงบแล้วก็นําออกมาพิจรนารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเราเห็นไหมร่างกายของเรามีอะไรบ้างตาลกหนังออ้โหสิเป็นยังไง ตลกหนังศีสาวสิเป็นยังไงตลกกระโหลกศีสาวมาสิเป็นยังไงนยมันจะเห็นไปหมดเลยท่านร่างกายของเราเนะี่ยมีมันสมองมีกระดูกจากนั้นก็นนะมีแต่ของอสุภะปฏิกูลทั้งหมดในร่างกายแต่ใจของเราเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่ก็ลุ่มหลงในร่างกาย ข้รุ่มหลงในร่างกายตัวเองก็รุ่มหลงแล้วร่างกายของคนอื่นเองถ้าเป็นหญิงก็รุ่มหลงในเพศชายถ้าเป็นเพศชายก็รุ่มหลงในเพศหญิงนี่แหล ะ, ะเพศตรงข้ามนะลักษณะนะ่ะจากนั้นค น, นผลที่สุดก็ต่างคนต่างแก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดกเกิดขึ้นมาใหม่อีกอันนี้เราเวียนไหวาตายเกิดในวันตะสสงสารไม่มีที่สิ้นสุด เพราะนั้นพระ อ, องค์มองดูแลท่านบอกหน้าเบื่อหน่ายนะเกิดมาแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายาแล้วก็มาเกิดมาใหม่อีกอแล้วก็ตายอีกแต่สิ่งที่พึงปราถนาเ น, น่มีหน่อยเดียวาบางทีก็สมัยเป็นหนุ่มมีความสุขในการเป็นหนุ่มของตนเองเอต่อมาก็นะ่ะพอเข้าสู่วัยกลางคนแล้วก็นะ่ะ ความสุขเหล่านั้นก็หายไปทีละน้อยละน้อยละน้อยผลนสุดมีแต่ความทุกข์ระทมเอ้มันไม่เหมือนแต่ก่อนทั้งหมดเนะี่ยร่างกายของเราเมีแต่ความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจผลในสุดนั่นนะก็ถึงจุดจบไปอีกสรุปแล้วร่างกายสังขารของเราเนะี่ยมันวกวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเออมันจะหาสวรรค์ วิมานจากที่ไหนมีแตเ น, นี่ยนะทุกขังอริยสัจจังเนะี่ยพวกเราจะได้พบได้เจออยู่ตลอดเป็นอริยสัจเป็นของจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้บำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแต่ถึงยังไงถ้าเราไปไม่ไม่ได้อยู่แต่ถึงถึงจะไม่ได้อยู่ก็เถอะในพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงเราก็ต้องบำเพ็ญ สร้างบุญสร้างกุศลเขาสูส่จิตใจเพื่อเป็นอุปนิสัยต่อไปภายภาคหน้าไม่แม้ไปไหนนะมันเป็นอุปนิสัยนะพระหันทศาวกทั้งหลายสมัยก่อนถ้าเกิเคยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจปะไม่รู้กี่องค์ตั้กี่องค์บําเพ็ญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะีพวกเราก็เกิดในศาสนาของพระโคตมะเนะี่ยโคตมะโคดพระโคโดมพุทธเจ้าเราก็บําเพ็ญอย่างนี้แหละ พอตายไปแล้วถ้าเราไม่พ้นทุกราษีอริยเมตตา ย, ตายมงลงมาตรั์พอลงมาตรดเราก็ได้ไปบวชในศาสนาของท่านท่านก็พูดให้ฟังเราก็เข้าใจเพราะอะไรเพราะชาตินี้เราบาเพ็ญเรื่องจิตภาวนาพอสมควรอยู่แล้วในเมื่อพระ อ, องค์เทศนาว่าการเรื่องอริยสัจเราก็เข้าใจเรื่องอสุภปฏิกูลเราก็เข้าใจ เรื่องรักษาศีลเราก็เข้าใจเพราะเป็นอุปนิสัยเราบำเพ็ญเป็นพื้นฐานไปอยู่แล้วนะในเมื่อท่านเทศถึงปล่อยให้ปล่อยวางเราก็ปล่อยวางได้เร็วได้ง่ายกับเป็นพระอริยะบุคคลในศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรแต่นี้พวกเราอย่าไปหวังถึงขนาดนั้นเถอะเอาในภพนี้ชาตินี้แหละให้มันพ้นทุกข์ไปเลยเร่งภาวนาไปเลยภาวนา อมันก็ยังพุทธศาสนาหรือทำคําสอนของพุท ธ, ธะเลยมรรคผลนิพพานอย่างเต็มเปี่ยมถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกที่ถูกทางอแต่ไม่ใช่ว่าเราปาถนาโอ้อต่อไปภายภาคหน้าคอยข้าเป็นเศรษฐีอแต่คราวนี้แต่ทําไมตัวเองไม่เอาในชาตินี้ล่ะอชาตินี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าเรามีปัญญา ถ้ามีความอุตสาหาะปัญญามีปัญญาพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีไดเ้เพราะเหตุไรเพราะ เ, เรามีปัญญาเรามีความขยัน อ, อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเศรษฐีในเมืองไทยหรือเศรษฐีโลกไม่ใช่เพราะเขาเกิดมาในกองเงินกองทองทีเดียวไม่ใช่บางบางคนก็ใช่เกิดมาในกองเงินกองทองพ่อแม่หามาให้แล้วอ่าก็ร่ำรวยไป แต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นหาโดยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจริงๆกับผลที่สุดก็ได้เป็นเศรษฐีได้นี้ก็เหมือนกันนะพวกเราบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลถ้าพวกเรามีความหมั่นขยันมีความใส่ใจ ม, มีอิทธิบาทสี่สันทะวิริยะจิตตวิมังสาอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วไม่เหลือวิสัยนะพาลูกพาหลานนะอย่างนั้นก็ได้รับได้รับความสงบละ ทาเวเรามีความพยายามมีความตั้งใจแต่ตามทิชเองหลวงพ่อเองพวกเราบวชสามเดือนพยายามบังคับใจให้อยู่กับตัวเองดูสิให้มันจิตใจได้รับความสงบพอได้รับความสงบแล้วเนั้นนั่นแหละเป็นพื้นฐานจากนั้นเราศึกออกไปแล้วกดยังภาคภูมิใจลึกๆในจิตในใจของเราเมื่อเราบวชเราบวชสามเดือน เราภาวนาจิตใจของเราได้รับความสงบมีความสุขจริงๆเราวยังคิดลาดึกถึงอยู่เลอยากจะบวชอีกมั่นกันเอาเถอะในเมื่อมีโอกาสต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราหมดการหมดการไปแล้วเราจะพยายามาหันกลับมาบาเพ็ญภาวนาอีกอหรืออย่างน้อยเมื่อเป็นครวัต เ, เราจะไม่ได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็้องพยายาม ภาวนาให้สืบเนื่องไปเรื่อยๆเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าในการภาวนาของพวกเรานะ่นะมันไม่อยู่ที่ไหนนะลูกหลานนะอยู่ในจิตในใจของพวกเราทั้งหมดในการเรื่องภาวนานะมันเป็นอุปนิสัยอยู่ในจิตในใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้เข้ามาบวดในคราวนี้ครั้งนี้อย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจใเจ้าเกินไป ให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจการเป็นอยู่ขืออย่างนี้แหละอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหะก็ไม่ถึงกำลําบากเราก็ไม่รู้จะหาความสุขไปที่ไหนกว่านี้อีกละ่ะถึงจะเลี้ยงอิ่มหมีพีมันขนาดไหนดูแลปนปือขนาดไหนก็เถอะร่างกายมันก็เท่านั้นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจริงไหม เพวกเรานั่งหลับตาดูสิคิดดูสินี่แหละเป็นนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อยังบอกเลยว่าให้ภาวนาถึงมรณะเอ่อมรณะนุสติระลึกถึงความตายจากนั้นกับอสจุพะอสุพะกรรมฐานให้อยู่ในใจอยู่ตลอดร่างกายของเราเนี่ยเป็นอสุพะเนอะมันสกรปรกนะเจียงไม้ เราอุจจาระมาเป็นยังไงมันออกมาจากไหนออกมาจากท้องใช่ไหมแอมมันมีเป็นยังไงสียงเราได้เราก็ต้องดูนะอันนี้นะคือเราเห็นดูชัดๆอยู่แล้วเราจะอุปโลกได้ยังไงในร่างกายของเราเราเป็นอย่างนี้จากนั้นก็ต้องตายแน่ๆนะใจนะอย่าไปลุ่มหลงนะอีกสักวันหนึ่งเถอะไม่รู้ว่าวันไหนละ พี่บอกแกซะก่อนจึงจะไปอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่เหมือกนกันนะใจนะนี่แหละก็พยายามสอนตนเองสรุปแล้วก็คือมรณะภัยมรณนุสตนะิให้เตือนตนเองไว้อยู่เสมอพวกเราจึงจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นก็พิจารณาอาสุภะลดละคือความสวยงามลดละกามราคะในจิตใจของเราให้รู้ใจของเรา จะรู้แจ้งเห็นจริงตดปดกามลาคะออกอความกำหนัดจรดีในใจจะไม่รู้จัะส่งเสริมมันไปอะไรอีกสักวันหนึ่งไม่ว่าเขาไม่ว่าเรามีตารางกระดูกด้วยการทางนั้นจริงไหมใจเนี่แหละพอเนึกไปแล้วก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจทั้งนั้นแหละสรุปแล้วก็เหรอเวลาเราเดินจงกรมก็ดีนั่งภาวนาก็าดี ไ่ไเดินอยู่ม <Jub> ก <ilee> ็ได้เดินขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโถพุทโถก็เดินไปแล้วก็กําหนดร่างกายของตนเองอย่าให้มีเนื้อหนังเอ็นกระดูกให้มันเป็นตะโครงกระดูกสีขาวโพนตั้งแต่กระโหลกศีรษะที่เราไปเห็นตะโครงกระดูกที่ไหนเราก็มาน้อมมหาตัวเองกําหนดดูร่างกายของตนเองห่างกายของข้าพรเจ้าเนี่แหละถ้าไม่มี หนังหุ้มไม่มีเนื้อไม่ต่กระดูกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะใช่ไหมยอมรับไหมแล้วก็เดินยงกลมให้มีเป็นโครงกระดูกเดินยงกลมให้ดูกําหนดให้เป็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเวลามานั่งก็เหมือนกันพอมานั่งก็ให้เป็นโครงกระดูกนั่งไม่ให้มีเนื้อมีหนังหุ้มให้เป็นโครงกระดูกนั่งกําหนดดู ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วนะมันจะยอมรับทันทีเลยถ้าจิตใจยังไม่ผ่านความสงบมันจะคึกขนองนะมันสู้ครูนะใจสู้ครูงนะั้นมันไม่ยอมรับพูดอย่างไงมันก็ไม่ยอมไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้ผ่านความสงบ ถ้าจิตใจผ่านความสงบแล้วมันยอมยอมรับนะพาลูกพาหลานนะเพราะฉะนั้นตําจึงว่าหลวงพ่อจึงบอกให้ทําจิตใจให้สงบซะก่อนให้เป็นพื้นฐานพอสมควรซะก่อนแล้วจึงนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาจะเป็นปัญญาที่แท้จริงถ้าจิตใจยังไม่สงบแล้วนํามาพิจารณากระช่ายพิจารณาได้แต่มันสัญญาบางังสังขารบางังให้ตูปัตตูเปไปเลยเอ มีแต่อือนออือนอไปเลยมันไม่ชัดเจนในจิตใจแต่จิตใจของเราผ่านเข้าสู่ความสงบมาแล้วนะเรามาพิจารณามันจะเห็นได้ชัดกว่านะเอ้มันจะเห็นได้ชัดกว่าจากนั้นก็เมื่อมานั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกเห็นร่างกายเลิพ่พิจารณาเป็นร่างกายเป็นโครงกระดูก พอโครงกระดูกเส็จแลว้วก่อให้ถามตัวผู้รู้คือใจท่นี่อใจที่เราไปคิดว่ามันเป็นโครงกระดูกนะั้นะอใจยอมรับไหมว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้กายของเราเนี่ยเนี่ยถ้าว่าจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วใจจะอมยอมรับหรือใช่ไม่เป็นอย่างอื่นใจเพราะนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงไว้นะขนาดร่างกายทแท้ของเรายังไม่ใช่ของเราอย่างอื่นนะ่ะ อยาติโกโหติกาจตถาบรรดาศักล่ะญาติพี่น้องล่ะเงินคทรัพย์สมบัติล่ะเลือกสวนไรนาล่ะจะเป็นของเราได้อยู่ชั้นใจใจของใจเมื่อเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วนะอใจของเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเถอะรู้แจ้งเห็นจริงอในจิตในใจควมไม่ใช่ร่างกายของเรานะมันเป็นหลังอย่างนี้ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเราในใจเนอะนี่แหละการพิจารณาธรรมให้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาดูให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นะพระลูกพาหลานทั้งหลายนะในเมื่อจิตใจของเราอยู่ในธรรมอย่างนี้แหละอ่าเราจะได้รับความสงบได้รับความสุข ในการเป็นอยู่ของพวกเราจิตใจของเราจะไม่ว้าเหวี่ยงว่างเงียบเงาซึมซอม่อไม่ได้คิดปรุงฟุ้งออกไปทางโลกเท่นีทางโลกมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นละ่ะ เ, เราจะคิดไปทาไม อ, อ, อีกสักวันหนึ่งที่เมื่อเราจะออกไปเราก็จะออกไปอยู่แล้วแต่ผู้จิตดำงรงสงศ์ศาสนากันเอ้ยเราผ่านมาแล้วทางโลกมันเป็นยังไงมันจะกลับเป็นสวรรค์พิมานอีกจะไม่ใจ มันจะหลงเอีอย่างอย่างนั้นอีกเสียไม่ใจอมันจะคิดว่าจะไม่ตายอย่างนั้นอีกจะไม่ใจทําไมมันหลงนักใจนี่แหละความหลงตัวนี้แหละทําให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่แหละความหลงความหลงอวิชชาตัวนี้แหละใจเพราะฉะนั้นให้ให้รู้แจ้งเห็นจริงนะหเห็นตามความเป็นจริงนใจนาะนี่แหละต้องเตือนเตือนใจเตือน ความรู้สึกนึกคิดของตนเองนั่นนะฮะอันนี้แหละถ้าตนเองไม่เตือนตนแล้วใครจะมาเตือนล่ะไม่มีใครเตือนนะเตือนได้ก็เตือนอยู่อย่างหลวงพ่อเตือนเนี่ยล่ะมันก็ไม่ยอมรับมันก็ไม่ยอมฟังถ้าตัวเองเตืเอนตัวเองน่ะนะมันซึ้งกว่านะอ ม, มันซึ้งกว่าเห็นได้ชัดกว่าเพราะมีสติสัมปชัญญะในการนึกคิดจุดนั้นนันแขอให้พวกเราพระ ลูกหลานทุกองนะการเป็นอยู่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจเลยเห็นพานลูกพหลานก็ช่วยกันทากิจวัตรขววัดเกิดเป็นที่อบอุ่นอยู่ให้ั้งอกตั้งใจภาวนาต่อไปนะถ้าขาดเหลือขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายออเอออบอกมูบอกเพื่อนอครูบาอาจารย์มีหลายองค์ที่พวกเราดูแล้วกับพวกครูบาทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ ที่อยู่กับหลวงพ่อมานานกัมีอะไรก็บอกให้หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบหลวงพ่อพร้อมเที่ฉงเคาะนุเคาะ์ลูกหลานทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยมีแต่ทุ่มเทไว้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจะทํำยังไงให้พระพุทธศาสนาจะยืนยาว ก็เนี่ยนะต้องอาศัยพาลูกพาหลานทถาญาติโยมพวกเกี่ยวข้องเนี่แหละที่ดำงรงสงศาสนาไปเรื่อยๆถ้าหลวงพ่อเท่าแเ่ชาลาตายไปแล้วก็ลูกหลานเนี่ยแหะจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสานาต่อไปเนี่ยแหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะบำเพ็ญคุณงามความดีบัตวาศาสานาเนี่ยเป็นแหล่งบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นแหล่งเสา ะ, ะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ไม่ใช่อื่นไกลนะไม่ใชท่ที่เที่ยวที่สนุกสนานเปิดเพอเทหาปารตี้ห า, า, หาความสน ส, นสนุกสนุกสนานในวัดไม่ได้นะผิดที่ผิดทางวัดวาศา ส, สนาเนี่คือทางพ้นทุกจะทํำยังไงจิตใจจึงจะเป็นสมาธิจากจิตใจจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสสนาจิตใจจิตๆิตเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวักิเลสนะ นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้หลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อคิดว่าจะว่างจะไม่มีใครมานะวันนี้ก็พอคำคำเข้ามาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดดนั้นหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนานๆทีพวกเราจะได้มาร่วมประชุมหารือกันให้ตะ อ, อกตั้งใจรุกพุธปฏิบัติทุกองอยู่ในกรอบถือว่าเป็นนั่นแะ หลวงพ่อรับมาด้วยความรักเมตตาทุกองมีอะไรก็บอกกล่าวให้ฟังถ้ามีความไม่ผาสุกทางกายทางใจยังไงหลวงพ่อก็ยินดีรับฟังจากพาลูกพาลานแต่สรุปแล้วก็ให้ทางใจภาวนานะั่นแหะเพราะวัดของเราไม่ใช่ต้องการอย่างอื่นให้ภาวนาผู้ที่จะท่องหนังสือปฏิโมกหรือท่องหนังสือสวดมนต์ ผมพยายามท่องให้ได้ในขณะที่เป็นพระน้อยพระหนุ่มถ้ามีอายุพันศาตขึ้นมาแล้วท่องยากนะลูกหลานนะเพราะความจํามันไม่เหมือนสมัยเป็นน้อยหนุ่มนะอย่างหลวงพ่อทุกวันโอ้คิดหนักใจเลยนะการท่องหนังสือนะแต่สมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มวุ้ยกระดาษหน้าสวดมนต์แต่ละครั้งเน่ยวันสองสาวันทันทีจบเลยการท่องแต่ทุกวันน่ะไม่เหมือนตะก่อนแล้วยอมแพ้และความจํา แต่ถึงยังไง เ, เรื่องความรอบคอบสติสัมปัดชัญญะได้ความรอบคอาละเอียดนะอพอมีอายุขึ้นมาอย่างหลวงพอ่อหลวงพ่อรู้รเลยว่าละเอียดมองอะไรขึ้นมาเนี่ยละเอียดทีถ่วนกว่าสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มต่างขึ้นมาเยอะเลยการความรอบคอบความทีถ่วนการยังคิดระหว่ารความอดทนระหว่า การพิจารณาในเรื่องราวต่างๆหลอบคอบขึ้นมามากเพราะเป็นเพราะเราฝึกฝึกตัวเองมาแต่เล็กต่น้อยก็ไม่ทราบละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเหตุมันก็ต้องมีผลมันมีผลอย่างนี้มันมีเหตุมาอย่างไรมันต้องหาเหตุหาผลในการเป็นอยู่พลังขอให้พกพระลูกพระราเนอทั้งอกทั้งใจภาวนา ทั้ง อ, อกทั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิจะก่อนยังค่อยเลิกกันนะ